อาดุลสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมาราปุลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะคือวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ 24, ยี่ี่พฤศจิกายนเป็นวันขึ้นสิบอดค่ําเดือนสิสองนะค ะ, ะแล้วก็สําหรับวันขึ้น11ค่ําเดือนสิบสองนี้ก็ เป็นของปีมะโรงเหมือนเช่นเคยค่ะอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงเทศกาลลอยกระทงก็คือขึ้น15บ่ําเดือน12กันแล้วนะคะอันนี้นก็เป็นเรื่องของความประเพณีอันดีงามของประเทศไทยเราที่ดําเนินสืบกันมานะคะค่ะแต่เพรากันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้ดิฉันก็อยากจะข อ, อนําทผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพภูณี พ, พิภุโนพระอาจารย์ผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนของอวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ต้ อยู่ที่ตำบลนอร์ไทร์สุขอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ พึ่งพิงทางจิตใจของบรรดาพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุดรธานีจังหวัดใกล้เคียงและก็ทั่วประเทศด้วยและแม้แต่ต่างประเทศก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำระสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาโถกประจํารายการธรรมารา บ, บรุลในช่วงของสากระชาหรือการสนทนาทธรรมะ ก, กันในเช้าวันเสาร์นี้เลยนะคะกราบนำ้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะทูเจ้าค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะยังติดค้างกันมา <Okay. S 2> ที่โยมถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องคงต้องคุยกันยาวดังนั้นโยมก็ขอนํามากราบเรียนถามนมสการเรียนถามพระอาจารย์ต่อเลยนะเจ้าค่ะว่าโยมสงสัยว่าสําหรับคารวะโดยทั่วไปอย่างเช่นที่คนเรานี่แหละที่เป็นคารวะแล้วก็ดํารงตนอยู่ในสังคมต้องอต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ต้องดูแลครอบครัวต้องทํางานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพื่อให้ชีวิตดํารงต่อไปนะนั้นเนี่ยมีหนทาง แมมเจ้าค้าที่จะบรรลุหรือว่าปฏิบัติธรรมนำธรรมะเข้ามาอย่างที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนเมื่ อ, อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องทำให้เกิดมักสมังคีก็คือนำธรรมะทั้งหลายของผู้โตองค์เนียมารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นำมาปฏิบัติ ตลอดเวลาให้ธรรมะอยู่ในใจแล้วก็ธรรมะเนี่ยอยู่ในการปฏิบัติของเราทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ถ้าถ้าทำอย่างเนี้เจ้าค่ะเราจะมีทางที่จะไปถึงวีมุทไหมเจ้าคะก็คือพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะเรียกว่าตรัสรู้แบบเหมือนกับเห็นทางทําแล้วก็หลุดพ้นได้จริงๆเนี่ยเจ้าค่ะมีหนทางไหมเจ้าคะด้วยความเป็นคารวาสถูกไหมอ่านี่เจ้าค่ะหลายๆท่านก็ยังมีความสงสัยนะโดยเฉพาะคารวาสเนี่ยว่าเถ้าฉันไม่บวชเนี่ย มันจะบรรลุถึงที่สุดของคำสอนพุทธาตนได้ไหมที่สุดเลยน ะ, ะคือวิมุตลุพ้นหรือว่าถึงที่สุดขอการปฏิบัติเนี่ยน ะ, ะ, ะก็ต้องเท้าความถึงเรื่องของจิตใจนิด น, นึงก่อน ค, นะคือถ้าจิตใจเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกมีความเป็นเพศอยู่ในจิตใจน ะ, ะจิตใจมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีเพศหญิงเพศชายไม่ได้มีขาวดาไม่ได้มี เขียวเหลืองไม่ได้มีเพศไม่ได้มีสีผิวไม่ได้มีชนชาติไม่ได้เป็นภาษาด้วยซ้า ค, ค่ะไม่ได้คิดเป็นภาษาว่าคุยๆุยอะไรกันเนี่นะเป็นจิตเดิมดวงเดียวที่มันสว่างสดใสยอยู่ ค, ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเดิมธรรมชาติที่มันมีความสว่างสดใสเป็นจิต ป, ประภัฒสอนเนี่ยไม่ได้มีเพศไม่ได้มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเรื่องเพศก็ตามเรื่องความเป็นคารวะความเป็นพระนะคุณเกิดในประเทศนั้นประเทศนี้เหนือสารเหนืออีสานกลางใต้ นะหรือว่าอเมริกายุ grains, โรปคนไทยเอเชียอเซียนแรงต่างเป็นสิ่งที่สมมุติมาในภายหลังค่ะเพราะถ้าจะพูดถึงความเป็นวิบวิบดูทพ้นเนี่ยคือการเอาพวกนี้ออกไปให้หมดเอาพวกนี้ออกไปให้หมดนะเอาสิ่งสมมุติออกไปให้หมดสมมุติว่าคุณเป็นครมะก อ, ออกไปด้วยสมมุติว่าคุณเป็นพระก็ไม่ต้องไม่มีสมมุติว่าคุณเป็นคนขาวคนดําคนยีสานคนเหนือเอาออกไปให้หมดนะคือเอาความสมมติสมมติพวกนี้ยทิ้งไป ถ้าเราเอาความสมมติสมสมติทิ้งไปเราเหลือแต่จิต ท, ที่บริสุทธิ์อย่างเดียวนั่นแหละคือบิมุตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพยายามที่จะเข้าไปถึงบิมุตคุณต้องโยนพวกนี้ทิ้งหมดเลยแสดงว่าในบิมุตเนี่ยไม่มีพวกนี้แสดงหมงงายความว่าไงคารวะสักคนเดคนหนึ่งจะบรรลุทําได้ไหมคําตอบคือได้นะถ้าปฏิบัติเหตุถูกต้องอไม่ต้องพูดถึงหลักธรรมอะไรมากเอาตัวอย่างเลยดีกว่าในสมัยพุทธกาลนะที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่าง พระบิดาของผู้เช่าของเราอย่างเงี้ยพระเจ้าสุโธทนะอย่างเงี้ยตอนก่อนจะสวรรคตอย่างเงี้ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ของท่านเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังการสวรรคตคือในช่วงที่กําลังจะตายนั่นแหละบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่คือพระบิดาของผู้เช่านะตอนนั้นผู้เช่าก็ไปถึงพระบิดาของผู้เช่าพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยป่วยหนักตอนนั้น พระเจ้าก็เลยไปดูใจสังสารปุ๊บ ก, ก็ได้บรรลุเป็นพระอนันตรงนั้นเองอแล้ว mm, <okay. S 1> ก็เลยให้สร้างเสดีใส่ไว้หรือว่ามีเสนาบดีคนหนึ่งพระรามจาชื่อไม่ได้แน่ น, นอนว่าชื่อรู้สึกชื่อสรีหัเสนาบดีแต่แต่ไม่ได้จะใช้่ฤาษีหัดเสนาบดีคนหนึ่งแล้วกันนะเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเป็นเสนาบดีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โศลก็ไปปราบกบฏได้นะปราบกบฏได้เนี่ย แล้วก็โอ้โหมีชื่อเสียงมีการเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากะนะพระเจ้าปรสเซนิโกโสนก็เลยให้ครองเป็นพระราชาอยู่เจ็ดวันนะใ ห, ให้สถาบนาเป็นพระราชาให้อยู่เจ็ดวัน ใ, ในชว่วง7็วันนี้พระเจ้าเปรสเซนิโกโสนก็ไปหลบตัวอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมหลับให้เซนาวดีคนนี้เป็นกษัตริย์อยู่เจ็ดวันกษัตริย์นะคุณตือนใจสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเครื่องแต่งกาศนี่อลังการ ตนเครื่องแต่งกายเลยนะมีโมมิชิดามีเครื่องแบบอะไรของความเป็นกษัตริย์นะช้างนี่ก็ต้องไม่ใช่ช้างธรรมดาต้องแต่งเครื่องช้างอย่างดีไปไหนนี่ต้องมีโอ้โหบริวารบึมๆไปเต็มไปหมดเลยนะกินอาหารก็อย่างรู้ว่าละกี่มื้อไม่ต้องพูดถึงนะการแสดงอะไรเต็มที่หมดเลยเศรษฐาพดีคนเนี้ยบรรลุเป็นพระด้วยความที่ตัวเองยังมีเครื่องแบบกษัตริย์เต็มยศในท้องยังมีเล่าเอิร์กอาร์กอยู่เลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยในเจ็ดวันนี้เขาก็แหมเต็มที่เลยจัดเต็มทุกอย่างนางแสดงอาหารเครื่องดื่มบริวารเต็มพรึบหมดแล้วก็มีนางระบำคนหนึ่งเนี่ยคือสมัยนั้นนางระบำเนี่ยเขาก็ต้องให้ตัวออนแอร์ออนแอร์หนึ่งเขาอดข้าวเขาอดข้าวมาเจ็ดวันไม่ได้กินข้าวเนี่ยระหว่างที่เต้นย้อยใบย้วยมาเนี่ยเป็นลมตรงนั้นเป็นลมแล้วก็ตายตายต่อหน้าต่อตาเลย ตายต่อหน้าต่อตาเสนาบดีที่ได้เป็นพระราชาตอนนั้นนะนะเจ้าค่ะศสนาดีที่เป็นพระราชาคนนั้นก็โหรู้สึกชอบนางสนมคนนี้มากเราอ้อนแอ่นเหลือเกินอ้อนแท่นจนกระทั่งเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเลยตายออืสุดเสียใจมากที่จะโอ้โหทําไมตายได้ขนาดนี้ง่ายเหลือเกินตายเร็วเหลือเกินอก็พับลงไปตรงนั้นเลยนะค่ะก็เลยโอ้โใครจะมาเป็นเทาความโศกนี้เลยไปหาพระริชาว์จ้าค่ะพระริชาเทศให้ฟัง ได้ฟังเสร็จเพิ่มบรรลุเป็นพระอรหันาหาเลยอืในขณะที่ท้องตัวเองยังมีเหล้าอยู่คือยังมเมาอยู่ว่างั้นเถอ ะ, ะ, ะแต่พอเจวานางสนมนี้ตายเลยได้สติขึ้นมานะ ะ, ะแล้วก็ยังทรงเครื่องแบบพระราชาเต็มยศอยู่อย่างเงี้ย ะ, ะอยู่บนคอช้างด้วยโอ้ oh, ยังบรรลุปเป็นพระอรหันได้คิดดูการบรรลุปเป็นพระอรหันนี้ไม่ทราบโยมเข้าใจถูกไหมนะเจ้าค่ะก็คือสามารถที่จะ ปล่อยวางได้ทั้งหมดเลยเห<ช>็นความจริงแล้วจิตสว่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ปล่อยวางได้ทั้งหมดชเจ้าค่ะคือการจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยมันก็แค่ขณะจิตเดียวนะเจ้า่ะมันไม่ได้ว่าต้องใช้เวลานานอะไรนี่คือลักษณะการปล่อยวางเจ้าค่ะทีนี้เหตุของการปล่อยวางเนี่ยก็คือการที่เราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็ปล่อยวางได้หมด เราสมมติ ful, เราไล่ไปก่อนตั้งแต่โสดาบานส ก, ากาัตถะกรรมีกรมีพระลานเนี่ยโซดาบานเนี่ยแค่ว่าเราเห็นว่าโอในโลกนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้สึกได้ลิ้มรสเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงนะคิดให้คุณเป็นโซดาปฏิมากรน ะ, ะอืมคุณตื่นเช้ามาคุณรู้สึกว่าโอ้โลกนี้มันไม่ค่อยเที่ยงวะแค่รู้สึกแค่เนี้ยสิคุณเป็นโซดาปฏิมากรนะ ไม่ได้ยากเลยคุณเดินใจใช่เจ้าค่ะทุกคนคิดว่าทุกคนจะเป็นอยู่ถ้าฟังรายการธรรมารัตน์ยอมคิดว่ายมเป็นนะคะอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นโสดาบันละเค่ะอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นโสดาบันละมรรคพระทางใช่ไหมโสดาบันคือคือความเป็นโสดาบันนะทางที่จะเดินไปไปสู่ความเป็นโสดาบันจนกระทั่งคุณละบางอย่างได้มีสติัญญาที่ติวิชิกิจศิลปตระปาะธรรมาทิ้เจ้าเครื่องรัาชสามอย่างเนี่ยนะปุ๊บคุณจะเป็นโสดาปฏิพันธคือโสดาบันจะมีสองอย่างมรรคผล ใช่ไหมมรกนี่ยังเสื่อมได้อยู่เช้าวันนี้ตื่นมารู้สึกไม่เที่ยงเชา้าพรุ่งนี้ตื่นมาอยากด่าคนมันก็จะออกจากมรก น, นะนี่พอเช้าวันนี้ตื่นมารู้สึกอะไรไม่เที่ยงคุณทําไปตอนบ่ายคุณละสังโยชน์ได้สามอย่างภู่มคุณเป็นโสดาปฏิพลดันทีสังโยชน์สมอย่างคืออะไรสังโยชน์คือเครื่องลอยรัตลอยรัตเราลอยรัตให้เราอยู่ในภพนะสามอย่างแรกเนี่ยคือวิจิกริชาแล้วก็ใบสกุรยทิฏฐิ คือกวามเห็นว่าตัวเราเป็นของเราอย่างเงี้ยนะอันที่สองคือความกระแวงสงสัยในคําสอ่งพระเจ้าไม่มีล ะ, ะ, ละ ไ, มไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงละแต่อาจจะมีคําถามในการปฏิบัติ บ, าบ้างธรรมดา ะ, ะแล้วก็ศีลรัตตบรมากคือกาปรปฏิบัติอย่างลุกๆคํำๆอย่างปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ่าลูกๆคำๆนี่หมายถึงว่าไปทำๆไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ได้เอาจริงเอาจังใช่ออทําไปขอพอ ผ่านๆไปทีหนึง่งหรือว่าปฏิบัติอย่างชีนิดที่ว่าหวังผลไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยะจะไม่เป็นอย่างนั้นรละเอยียดตรงนี้เรื่องเกิดโซลบัลคิดว่าจะไปพูดในวันพรุ่งนี้เรื่องของความเป็นโซลบัลได้เจ้าค่ะทีนี้กลับมาถึงว่าคราวาสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาถึงความเป็นพระอาหารหันเนี่ยมันได้และก็คือเดินตามมรรคนั่นเองเจ้าค่ะแต่ทีนี้การที่เราละละก็เรียกว่าล ะ, ะเห็นตามปฏิบัติได้นะคือศีลสมาธิปัญญา นะเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะต้องละอะไรแต่วิธีการที่คุณจะละได้คือเดินตามสีสมาธิปัญญา <Okay. S 2> อย่างเราเอาขั้นต่ำๆสอนกับโสรบัลเนี่ยคือคุณปฏิบัติตามศีได้อย่างเต็มที่สมาธิจะมีฟุงงซ่านบ้างแสดงสมาธิหนึ่งชั่วโมงเนี้ไม่ได้ว่าจิตสงบนิ่งรับเซเลยอาจจะมีฟุงงซ่าน<ม>สักครึงนะ่งชั่วโมง อ, อสงบจริงๆแค่10นาทีสงบนิดๆหน่อยๆยี่สินาทีสามสินาทีนี่ไปไหนไม่รู้ง่งบ้างอปัญญาไม่ต้องพูดถึง อาจจะยังไม่มีแต่ว่าศีลนี่เต็มที่แล้ว ค, คุณสุขเป็นโซดาบันเลยอืม응โซดาปฏิผลเนี่ยเป็นสิ่งที่หวังได้อ่าเลื่อนขึ้นถัดมาอีกเราเป็นอนาคามีอนาคามีนี่คือเป็นไปตามศีลได้เต็มที่สมาธิได้เต็มที่แล้วก็ปัญญาได้พอประมาณมันเป็นไล่เป็นขั้นๆไปะนะชอะอนาคามีนี่สมาธินี่ได้มากคือได้เต็มที่ละนั่งสมาธิได้นิ่งศีลนี่ไม่ต้องพูดถึงเราทําได้อยู่แล้วใช่ไหมปัญญาจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไร ยังทำได้พอประมาณอันนี้คือความเป็นอนาคามีนี่พระอรหันต์เนี่ยคือศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์คุณทําได้พเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจึงบอกว่ามันอยู่ที่เราสร้างเหตุนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณอยู่ในเพศไหนสีผิวอะไรนับถือใครไม่เกี่ยวแต่ถ้าศีลไม่่าคุณจะนับถือใครอะ่ะศีลถ้าคุณมีศีลคุณสบายแล้วคุณเดินตามมรรคละ<จ>คุณ<จ>มีสวรรคบัณฑได้ละสมาธิด้วยปัญญาด้วย ศีลสมาธิปัญญาไล่ไปนะถ้าคือไล่ตั้งแต่พอประมาณแต่ถ้าคุณมีศีลพอประมาณมีสมาธิประมาณมีปัญญาพอประมาณคุณก็อยู่ในโสดาปฏิมักถ้าศีลคุณตามเต็มที่แต่สมาธิกับปัญญาได้พอประมาณคุณก็เป็นโสดาปฏิผลไล่ขึ้นไปอีกถ้าศีลเต็มที่สมาธิได้เต็มที่แต่ปัญญาพอประมาณนี้เป็นธนาคามีถ้าทั้งสอย่างสามอย่างเต็มที่หมดเลยนั่นก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้อ่า คราวาสสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่หรือไม่ล่ะก็อยู่ที่ว่าคุณทุ่มเทมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมอ่าทีนี้อย่างความเป็นสมณะเนี่ยมันมีมันได้เปรียบกว่าตรงที่ว่ายัง ม, มีโอกาสว่างยัง ม, มีโอกาสว่างคือคราวาสเนี่ยมันจะต้องมีการงานหน้าที่วุ่นวายนิดๆหน่อ ย, อยใช่หเป็น ถ้าคุณกเกษียณแล้วมันก็อาจจะวุ่นวี่ยุ่นวายเนกิจการงานบ้านเรือนบ้างใช่ไหมการงานเราอาจจะวางไปแล้วแต่ว่าบ้านเรือนก็ยังมีอยู่มีลูกเต้ามีนั้นเรนมาคอยโกนควยอะไรแต่ว่าความเป็นพระเนี่ยตรงนี้มันจะน้อยลงโ อ, อโอกาสว่างจะมากขึ้นภาระต่างๆจะน้อยลงกันนั่นเองออืพระเจ้าจึงสนับสนุนว่าเออถ้าใครมีโอกาสว่างมีเห็นเห็นเขาเรียกว่าเห็นปัญหาละนะงั้นเรามาหาโอกาสว่างกันโอกาสว่างในที่นี้ก็คือว่ามาบวชซัก โอกาสบาในที่นี้ไม่ได้ว่าหมายความว่าคุณต้องบวชตลอดชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกูอาจจะมาบวชสัก7วันสิวันบวชระยะสั้นก็ได้แต่ต้องตั้งใจจริงๆใช่ใเพราะฉะนั้นอย่างที่วัดป่าอระหนโสเราก็มีประิญญาธรรมก็เรียกว่าบวชบวชขาวอคือเหมือนบวชเลยเหมือนพระจริงๆเลยหล่กนะไม่ได้สนใจอะไรนั่งสมาธิอย่างเดียวรักษาศีลแปดแล้วก็กินมื้อเดียวรักษาศีลแปอย่างเงี้ยเราทําศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ในสมาธิปัญญาระยะสั้นก็เอา นะก็ดีก็อย่างน้อยตรงนั้นยังเป็นโอกาสบ้านที่ทําให้เราเร า, า จ, จะบรรลุธรรมในช่วงเวลานี้ก็ได้ให้เชื่อรู้มาแล้วถ้าเราทําได้อย่างเต็มที่นั่นแหละคือคือสิ่งที่เราจะต้องทำํำนะกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคอยกังวลว่าฉันต้องไปบวชหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องทําอะไรอย่างเงี้ยคือบวชมันก็ดีอยู่แต่ถ้ า, ายังมีภาระหน้าที่การงานก็ยังบวชไม่ได้ก็อย่ายไปเสียใจว่าฉันบวชไม่ได้ค่ะอนะเพราะเราก็ปฏิบัติได้เหมือนกันค่ะ เราสร้างเห็นให้ถูกแค่นั้นเองอทีนี้ที่คุณเตใจถามถึงว่าแล้วถ้ายังเป็นฆราวาสอยู่แล้วเราหวังวีมุติเป็นที่ไปเนี่ยช่ <Okay. S 1> แต่ว่ามันยังทําไม่ได้เต็มที่เลยนะเศีษฐก็ทําได้เต็มที่อยู่บ้าง mm. ใช่ไหมสมาธิปัญญานี่ก็คอยฝึกๆคอยทำทำท ำ, ทำได้พอประมาณบ้างเนี่ยค <Okay. S 1> ระเจ้าพูดถึงคุณธรรมอสี่อย่างที่ว่ายัางพอจะทําได้ง่ายหน่อยะคือก็อยู่ในมรรคเหมือนกนนันที่เราได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือศรัทธาศีลฐ์จาระปัญญา สิ่งนี้คุณต้องมีแน่นอนนะศรัทธาเนี่ยคือถ้าเรามีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันไปได้นะพระเจ้าในสอนมาเยอะมากคุณเดินใจเพราะฉะนั้นคุณมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยคุณจะคอยฟังถึงที่พระเจ้าสอนอยู่เรื่อยๆแต่บางเรื่องเราไม่เห็นเข้าใจเลยโพชงวิมุตอะไรกันเนาะเอาไปก่อนแล้วกันคุณก็ฟังเรื่องที่คุณเข้าใจได้ถ้าคุณมีศรัทธานะถ้าคุณมีศรัทธาคุณก็ฟังเรื่องที่คุณเข้าใจได้ไปก่อนแต่พอคุณที่ฟังเรื่องคุณที่คุณเข้าใจได้้ไไปปปกกก่่ออนนนนนนเเีียมััั็็จะลลึําาขคื ผู้ชายให้มีศีลด้วยนะมีจากคะก็คือว่าถ้าเราเป็นคารวะเราครองเรือนอยู่มีมีโกคาซับมีปัจจัยต่างต่างๆเราก็ทําบุญให้ทานนะ<ช>ไม่ใช่แค่แก่สมณพราหมณ์เท่านั้นนะคนไหนที่เราควรเลี้ยงดูแล้วก็ควรเลี้ยงดูไปนะคนที่มาบ้านเราก็มีของต้อนรับคนไหนที่เขาทําดีเราก็ช่วยเหลือสนับส น, นุนอันนี้คือจากานะค่ะปัญญาในที่นี้คือเห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับ คือมีอะไรเราก็อย่าไปยึดตือมาก <Okay. S 2> ค่อยปล่อยวางบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเลยคุณยังได้เป็นเทวดา mm, <okay. S 2> อืยังมีสุคติเป็นที่ไปเ <Okay. S 2> แต่ถ้าไม่ได้เป็นเทวดาอย่างน้อยคุณยังได้เป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในตระกูลสูง <Okay. S 2> ก็ยังดี <Okay. S 2> แต่ยังมีสุคติเป็นที่ไปไแน่ล่ะเเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้น <Okay. S 2> <ๆ>ถ้าเราพูดถึงทำง่ายๆเราทําได้เลยก็คือศรัทธาสีนจากผาปัญญา ลึกละเอียดขึ้นไปหน่อยก็พูดถึงมา8ปนดะทำได้อ น, นี้สง์ก็จะได้ไปตามลำดับขั้นอย่างเงี้นะ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคราวาาพระสงค์หรือว่าคนนับถือศาสนาอะไรอยู่ภาคไหนประเทศอะไรก็ทำได้หมด <Okay. S 1> นี่คือคือความที่เป็นเปิดกว้างของคำสอนพุทธเจ้านะคุณจไม่ได้แบ่งว่าใครเป็นใครใครมีปัญหาคุณต้องการทางแก้ไขที่นี่มีให้หมด <Okay. S 2> แล้วคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องเพราะเรามันไม่ใช่ศาสนาที่ต้องมีการมาแบ่งอยู่แล้วอะ่ะ <Okay. S 2> คําสอนพุทชาเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการแบ่งแยกเป็นลัที่โน้นรัฐที่นี้นะจะ okay. เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาถ้าคุณเห็นว่าชีวิตคุณมีปัญหาแล้วมันก็มีการแก้ไขเอาเรามีที่นี้ดูเรามีทางแก้ให้ถ้าเราพูดถึงคุณคิดว่าเรื่องศีลเป็นเรื่องดีคุณทําคุณก็จะได้ผล <Okay. S 2> สมาที่ดีไหมอา่าวดีฮะงานการก็ได้เรื่องเรียนหนังสือก็ไม่บกพร่องเราทําไปเราก็ได้ผล มันก็ได้ผลเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นไปนะ ต, ตัวอย่างเราไม่ต้องพูดถึงสมัยปัจจุบันก็ได้ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีเจ้ค่ะตัวอย่างในสมัยพจันร์ก็มีนะคราวาสคนที่ปฏิบัติธรรมได้ดีใช่ปะ่ะนุ่งขาวห่มขาวอยู่อย่างเงี้ยเขาปฏิบัติธรรมได้ดีเป็นที่เขาเรียกว่าถามธรรมะอะไรก็ตอบได้มีคุณธรรมรู้ธรรมเราก็เห็นเยอะแยะเจ้ค่ะก็นี้เป็นตัวอย่างที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่การครองเรือนหรือไม่เลย เนะแต่มันมีความแตกต่างอยู่นะคือความเรื่องของโอกาสว่างทนั้นเองนะพระสงฆ์ก็จะมีภาระในการคองรืเนน้อ ย, ยนะมีแค่บริฐาน8ปนะแล้วก็มีภาระน้อยมีโอกาสว่างมากขึ้นเท่านั้นเอง เจ้าค่ะถ <gegen violin> <warfare> ้าต้องการก็มาบวทได้เจ้าค่ะก็เหมือนกับพระสงฆ์นั้นก็จะมีโอกาสที่จะสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนได้มากโดยที่ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องอื่นๆนะเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็จะน้อยลงไปมากเจ้าค่ะแต่สําหรับคนเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าเป็นสามัญชนทั่วไปเนี่ยเจ้าค่ะก็ยังมีทางอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าสามารถที่จะบรรลุ เป็นพระอรหันได้<ช>หรือว่าไปถึงวีมุติได้<ช>ก็ด้วยการปฏิบัติของเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าเรายังจะต้องรับผิดชอบอะไรอื่นๆไปนานนานหรือไม่นานเนี่ยคุณเฉใจมันอยู่ที่อินทรีย์นะอินร <R> ีคือร่างกายเรารเลยเจ้าคะอินรียเนี่ยคือความเป็นใหญ่ของจิตอินทรีย์ที่พระเจ้าแบง่งเนี่ยมีอินรีหกใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นไก่ใจเจ้าค่ะอันนี้คือความเป็นใหญ่สมมุติตาเนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องของการเห็นภาพนะถ้าเราไป ใช้หูมาฟังเสียงหรือหรือตาเราไปดูรสอาหารดูอาหารอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่ามันเผ็ดมากเผ็ดน้อยเค็มนี่เค็มแบบเกลือหรือเค็มแบบซีอิ๊วเค็มแบบน้ำปลาไม่เหมือนกันต้องลิ้นเท่า น, นั้นเพราะนั้นลิ้นจึงเป็นใหญ่ในการรู้รสไม่ใช่ตาอืมเจ้ค่ะนี่คืออินรีห6แต่อินทรีย์มีอีกอันหนึ่งคืออินทรีย์5นะเป็นตัวความเป็นใหญ่ของใจนะว่าใจเนี่ยจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือช้ายอยู่ที่อินทรีย้านี้เพราะฉะนั้นคารวาสสักคนในคนหนึ่งเนี่ยอาจจะบรรลุเร็วกว่าพระสงฆ์ก็ได้ ถ้าเขามีอินทรีย์ห้าแก่กล้ามีอะไรบ้างจ๊ะอินทรีย์ห้านี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอืห้าอย่างนี้คืออินทรีย์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะบรรลุเร็วหรือช้าอืเพราะบางคนก็อาจจะมีคุณธรรมมากกว่าพระก็มีในสมัยพระการก็มีอยู่พระสงฆ์ที่ไม่มีคุณธรรมพิเศษอะไรเลยก็มี ก็ ก, ก, ก, ก็ก็มีอยู่ในขณะที่คาราว่าบางคนเป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วอ่ะ ก, ก็ก็มีในสมัยปัจกจกุบันแม้แต่สมัยปัจจุบันก็มีนะเจ้าค่ะก็มีมีแน่นอนเจ้ค่ะ เ, เพราะฉนั้นมันอยู่ที่อินทรีย์ของบุคคลบุคคลนั้นเจ้ค่ะถ้า<ช><ๆ>เราคอยจะเพิ่มอินทรีย์โดยการปฏิบัติตามสีสมาธิปัญญาคือถ้าเราปฏิบัติตามสีสมาธิปัญญาเนี่ยหลักมักแปะใช่มเ้าอินทรีย์ของเราจะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม่แจนถึงวินาทีที่มันเต็มที่สุดเนี่ยคือคุณเป็นพระ <Okay. S 2> มีอันหนึ่งที่พูดถึงว่าด้วยความเป็นคราวาตเนี่ยอาจจะคิดว่าเราน้อยเนื้อต่าใจฉันบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ได้มีโอกาสไปบวชหรือ <Okay. S 2> ว่าฉันจะปฏิบัติทําได้ไหมไอความคิดตรงเนี้ยพระเจ้าเรียกว่าเป็นความสําคัญตนว่าเลว okay. นะอืออิทตินิปาตาัตะคือความสําคัญตนว่าเลว <Okay. S 2> ถ้าใครสําคัญตนว่าเลวฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยฉันทําไม่ได้จะทําให้ถูกอันเนี้คือคุณไม่มีทางเป็นบ้ารหนได้ อันนี้เป็นหนึ่งในมณะนะทั้งมณะนะทั้งหกมั้มณะหกเนี่ยอะจะเป็นมณะหกเนี่ยถ้าใครยังไม่ละมณะหกเนี่ยนะก็จะไม่มีทางเป็นบาราลได้ในมณะหกนี่มีอะไรบ้างเจ้าคะอ่าคืออ่าที่พูดถึงนี่คือมณะหกอ่ามณะหกหนึ่งในมณะหกคือการสําคัญตนว่าเลวแตนะ่ถ้าคิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยเราไม่ใช่ผู้ชายหรือเราเป็นผู้หญิงหรือเรามีเป็นตุ๊ดเราโอ้ยฉันพูดอะไรไม่ได้เนี่ยนะ คุณสำคัญตบนวเหลวคุณไม่มีทางเป็นบาหลานได้เป็นหนึ่งในมานะหกนะไออีกห้าอย่างคืออะไรนะคือหนึ่งคือตัวการถือตัวคือตัวมานะคือมือถือตัวนะสองคือการแกล้งลดตัวแกล้งลดตัวสมมติว่าเราแหมเป็นระดับสูงแล้วแต่มาแกล้งลดตัวคือแกล้งคิดนะอันนี้ก็คืออย่างที่สองอย่างที่สามคือการยกตัวข่มท่านอืมออย่างที่สี่อันนี้เจอบ่อยอ่าอันที่สี่คือการถือตัวจัดถือตัวว่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันทำอย่างงั้นไม่ได้หรอกอย่างนี้นะ อันที่ห้าคือหัวเดือยเหัวเดือนะที่หกคือการสําคัญตนว่าเลวนะหกอย่างเนี้ยถ้าใครไม่ละแล้วเนี่ยคุณอย่าไปพูดเลยจะเป็นบ้าอรหันต์ไม่ได้หรอก ค, คือมณนะหกอย่างจะไม่สามารถที่จะทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผลได้ชูค่ะมันถ้าคุณคิดว่าคุณโอ้ฉันมันบุญ น, น้อยวัสนาน้อยเกิดไม่ได้สกุลต่างเป็นชาแนาฉันบรรลุธรรมไม่ได้หรอกแต่ก็บรรลุทําไม่ได้แน่อย่าไปคิดตรงนี้อย่าคิดว่าฉันเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรเราต้องละให้หมดเลยพวกนี้ ความ <Okay. S 2> คิดเนี่ยมันเป็นมานะจะขัดขวางการบรรลุปเป็นพาระอรหันต mm ์ hmm. มานะในเป็นหนึ่งในสังโยชน์สิบด้วย <Okay. S 2> ในสังโยชน์เบื้องลึกะนะที่พาระอรหันต์เท่านั้นถึงจะละได้นะคะมีก็ยังละไม่ได้ด้วยำ mm hmm. okay. อืมเจ้ค่ะอืมเออ นี้คําว่ามานะในที่นี้เนี่ยหลายท่านอาจจะพิสว่าเออมานะพยายามนี่น่าจะดีในที่นี้คือในทางศาสนาคือต่างกันถูกไหมเจ้าค่ะมานะนี้เป็นภาษาบาลีเจ้าคภาษาไทยเอามาใช้แล้วมันก็มีความหมายเพี้ยนไปเจาคเจ้าค่ะคือมานะพยายามเป็นสิ่งดีนะเราจะพูดใช้ผู้ชาใช้คําว่าวิรยะคือความเพียนแต่มาวายมะนี่คือความเพียนชอบเะมานะในที่นี้คือการถือตัวถือตัวอสําคัญตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อืะ S <S มานะหกก็มีมานะเก้าก็มี <S <S ว่าเป็นชั้นชั้นเป็นอย่างนี้ือตัวชั้นเป็นอย่างนี้ชั้นมีอินทรีย์อย่างนี้ชั้นมีจริตอย่างนี้จริตขอโทษนะคุณก็ต้องละนะคุณอย่าไปสำคัญว่าจริตอย่างนี้จะเหมาะสมกับการปฏิบัติยังไงโอ้อย่าไปคิดเลยจริตคุณก็ต้องละถ้าคุณไม่ละจริตแล้วถามคุณจะบรรลุได้ไงไม่ได้ค่่นะเพราะฉะนั้นเรื่องจริตเออเรื่องวิธีการปฏิบัติมันต้องวางให้หมดเลยในในบิมมุสเนี่ยคุณตระใจมรรคก็ไม่มีนะอือแปลว่าเรา เอาเรือไปถึงฝั่งแล้วคุณจะเอาเรือแบกขึ้นบกเหรอไม่มีเขาทําการเขาก็ปล่อยเรือทิ้งไปค่ะเพราะฉะนั้นในบิมุตไม่มีมัคไม่มีอะไรเลยนะเจ้าค่ะ เ, <ม>เป็นความสว่างใช่ใช่ใชเพราะั้นเราอย่าถือมัคเข้าไปด้วยว่าต้องชั้นวิธีการปฏบัติอย่างนี้เท่านั้นฉันต้องเป็นพระเท่านั้นฉันต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นฉันต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นฉันต้องเป็นคนชาตินี้เท่านั้นอือแต่แต่ผิดหมดไม่ใช่เลยเราต้องวางให้หมดถ้าเรายังสําคัญตนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนอย่างนั้นอยู่นี่คือมานาทั้งสิ้นค่ะ ขอแค่พาคุณเดินตามมากก็พอนะทําได้มากทําได้บ้างทำได้พอประมาณก็ได้นี่สองตามนั้นเราเ ค, ค่อยๆทาไปจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่อินทรีย์ของคุณทำไมอย่าไปคิดว่าฉันน้อยเนื้อต่ําใจฉันไม่ดีหรืออย่าไปคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นก็เลิกคิดพวกนี้ซะมันจะบั่นทําลายเราก็ค่อยๆทําไปนะพอมีโอกาสว่างๆเราก็ไปบวชบ้างบวชใจบ้างหรือบวชเขาก็ได้อย่างเงี้ย น, นะมีโอกาสเราค่อยๆสั่งสม อินทร์ของเราค่อยๆก้าวหน้าขึ้นไปเราก็จะทําให้ดีกันได้ค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านในรายการธรรมารบปรลุลในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นกําลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งผู้จัดรายการเองด้วยที่ว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้บวชเป็นพระนะเจ้าค่ะก็ะยังสามารถที่จ ะ, ะปฏิบตัติประพฤติปฏิบัติไปตามคําสอนของพระพุทธองคอ์ในทุกๆ ด้านทุกๆมุมทำให้เราสามารถเดินไปสู่การบรรลุถึงวิมุตต์หรือว่าเป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะก็ขอกราบ นามาสการขอพอบคุณพระอาจารย์เพญบญอภิปุนโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่ได้เมตตา ม, มาสากชารืว่าพูดคุยในประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในรายการธรรมาราปรุลนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะต้องกลับมาพูดคุยกันใหม่เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีความรู้มากขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นเช้าวันที่สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบนามาสการขอบขอบคุณและกราบนามาสการา พอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดทิโทภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโชกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโชกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบน้ำสการขอพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ระสาธุเจ้าค่ะ